ยีเอเอกับวีสติมวรกหนศาสนาประทาว่าด้วยหลักคำสอนปดร้อยเสิบแปดสอกอคำสอนดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมปอรอใช่สอกอสติประธานดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอคำสอนดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมปอรอใช่ สกส ม, มประทานอิทธิบาทอินรียพละโพชงดัดแปลงใหม่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคำสอนที่เป็นอกุศลในการก่อนในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคำสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังโยตเนื่องด้วยคันทะเนื่องด้วยโอคะเนื่องด้วยโยคะเนื่องด้วยนิวรณ เนื os, ่องด้วยปรามาตเนื่องด้วยอุปาทานเนื่องด้วยสังกิเลสในการก่อนในภายหลังดัดแปลงไม่ให้เนื่องด้วยสังกิเลตได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลบางคนดัดแปลงคำสอนของพระตถาคตใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางคนดัดแปลงสติปัฏฐานใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลบางคนดัดแปลงสัมมประทานอิทิบาทอินซีภะละโพชงใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลบางคนดัดแปลงคำสอนที่เคยเป็นอกุศลในการก่อนในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลบางคนดัดแปลงคำสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังกิเลตในการก่อน ในภายหลังดัดแปลงไม่ให้ น, นึ่งด้วยสังกิเลได้มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคำสอนของพระตถาคตดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหมปรใช่สกสติปทานดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกส ม, มปทานอิทธิบาทอินทร์ียะพร ะ, ะโชงดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคำสอนที่เคยเป็นอกุศลในการก่อนในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคำสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังกิเลตในการก่อนในภายหลังดัดแปลงไม่ให้เ น, นื่องด้วยสังกิเลตได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศาสนกถาจบ 2. อ, อวิวิตะกะถาว่าด้วยผู้ไม่จงัด้อยสอก่อปุตุชนไม่จงรัดจากสภาวธรรมที่เป็นไปในธาตุสามใช่ไหมปรใช่สกปุตุชนไม่จงรัดจากภัษที่เป็นไปในธาตุสามเวทนาที่เป็นไปในธาตุสามสัญญาที่เป็นไปในธาตุสามเจตนาที่เป็นไปในธาตุสามจิตที่เป็นไปในธาตุสาม ศรัทธาที่เป็นไปในธาตุสามวิริยะที่เป็นไปในธาตุสามสติที่เป็นไปในธาตุสามสมาธิที่เป็นไปในธาตุสามปัญญาที่เป็นไปในธาตุสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปุตุชนไม่จังหวัดจากกรรมที่เป็นไปในธาตุสามใช่ไหมปรใช่สกในขณะที่จถวายจีวอนปุตุชนเข้าปฐมฌานอยู่ เข้าอากาสานัญจาจตนาชาญอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในขณะที่ถวายบิณฑบาตถวายเสยนาสนะถวายคีฬานปัจจัยเพศส า, ารประรคานปุตชนเข้าเจตุทะชาญอยู่เข้าเนวสัญญานาสัญญาจตนาชาญอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อยแปดสิบปรท่านไม่ยอมรับว่า ปุตุชนไม่จังหัดจากกรามที่เป็นไปในธาตุสามใช่ไหมสกใช่ปรปุตุชนกําหนดรู้คำที่ให้เข้าถึงรูปธาตุและรูปธาตุได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นปุตุชนจึงไม่จังหัดจากกรามที่เป็นไปในธาตุสามพระวิวิตตกระถาจบสสัญโยช น, ชนะกระถาว่าด้วยสังโยตแปดร้อยแปดสบเอ็ด สกพระโยคีและสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกพระโยคีและสักกายทิฐิวิจิกิจชาศิลปตาปรามาตราคะโทสะโมหะและอนุตตปะบางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระโยคีและสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอราตพลมีอยู่ใช่ไหมอรอใช่สกพระอรหันยังมีราคะความกำหนัดโทสะความคิดประทุสร้ายโมหะความหลงมานะความถือตัวมัคคะความลบหลู่คุณท่านปราสะความตีเสมออุบายาความคร่ำครวญกิเลสสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองอยู่ใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ไม่มีราคะโทสะโมหะมานะมักขะปราสะอุปายากิเลตไม่ใช่หรือปอร์ใช่สกหากพระอรหันต์ไม่มีราคะไม่มีกิเลต ท, ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่แปดร้อยแปดสิบสอง ปรท่านไม่ยอมรับว่าพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอาราธพนมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรพระอรหันต์ย่อมรู้พุทธวิสัยได้ทั้งหมดใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอาราธพนมจึงมีอยู่สัญญโฉนกถาจบ อิทธยกถาว่าด้วยฤทธแปดร้แปดสิบสามสกฤทธ์ตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่สกฤทธ์ตามที่ประสงค์ว่าขอต้นไม้จงมีใบเป็นนิดของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกฤทธ์ตามที่ประสงค์ว่า ขอต้นไม้จงผลิดอกเป็นนิดออกผลเป็นนิดขอสถานที่แห่งนี้จงสว่างเป็นนิดจงกเกษตเป็นนิดจงมีภิกษะหาได้ง่ายเป็นนิดจงมีฝนดีเป็นนิดของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอริษตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สอกอริษตามที่ประสงค์ว่า ภาษาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปของพระพุทธเจ้าหรือพระส า, า, าวกมีอยู่ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกฤตตามที่ประสงค์ว่าเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกฤต ตามที ja ่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู <t> ่ใช <ank> ่ไหมปรใช่สกรตามที่ประสงค์ว่ารูปจงเป็นของเที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาจงเป็นของเที่ยงของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกริกตามที่ประสงค์ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่าได้เกิดเลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บเลยสั ต, สตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลยของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรยอมรับอย่างนั้นแปด้แปสิบสี่ปร ท่านไม่ยอมรับว่าฤทธ์ตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรท่านพระปิลินทวัชะได้อธิษฐานประสาทของพระเจ้าแผ่นดินมคตผู้เป็นจอมทัพพระนามว่าเพ็ญพิสารว่าจงเป็นทองและประสาทก็ได้กลายเป็นทองไปจริงนี่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากท่านพระปิลินทวัชะ ได้อธิษฐานประสาทของพระเจ้าแผ่นดินมคตผู้เป็นจอมทัพพระนามว่าพิมพ์พิสารว่าจงเป็นทองและปร า, าสาทนั้นก็ได้กลายเป็นทองไปจริงๆดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าฤทธิ์ที่มีเหตุให้สําเร็จได้ตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่อิทธิกถาจบหพุทธกถาว่าด้วยพระพุทธเจ้าแปดร้อยแปดสิบห้า สกพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันยังมีความยิ่งความหย่อนกว่ากันใช่ไหมปรใช่สกโดยสติปัญญาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโดยสมประทานโดยอิทธิบาทโดยอินทรีย์โดยพระโดยพ่อชงโดยความชํานาญโดยสัพพัญญุตยานทัศนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น พุทธกถาจบโสาพธิสากถาว่าด้วยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทั่วทุกทิศแปด้อยปสก่อกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในทิศทั้งปวงใช่ไหมปรใช่ สกประทับอยู่ในทิศตะวันออกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกประทับอยู่ในทิศตะวันออกใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอย่างไรมีพระชาติอะไรมีพระโคธอะไรพระบิดาและพระมารดาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมีพระนามว่าอย่างไรคู่พระอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น มีนามว่าอย่างไรอุปถาของพระผู้มีพระภาคนั้นมีนามว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงจีวรเช่นไรทรงบาตเช่นไรประทับอยู่ในบ้านในคมนครรัฐหรือชนบทใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศเบื้องล่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกประทับอยู่ในทิศเบื้องล่างใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอย่างไรประทับอยู่ในชนบทใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกประทับอยู่ในทิศเบื้องบนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกประทับอยู่ในทิศเบื้องบนใช่ไหมปรใช่สกประทับอยู่ในชั้นจาตุมหาราช ฉันเดาวดึงฉันยามาฉันดุสิตฉันนิมมานรดีฉันปรนิมิตวสวตัตีฉันพรหมโลกใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสพธพิสากถาจบเจ็ดธรรมกถาว่าด้วยสภาวธรรมแปดร้อยแปสิบเจ็ดกสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปอรอใช่สอกอ เป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกองแห่งสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกองแห่งสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สก หากกองแห่งสภาวธรรมที่แน่นอนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนสอกสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรใช่สกอกองแห่งสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สามอย่างคือหนึ่งกองที่ผิดและแน่นอนสองกองที่ถูกและแน่นอนสามกองที่ไม่แน่นอนมิใช่หรือ ปอรอใช่สกห้า ก, กองแห่งสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สามอย่างคือหนึ่งกองที่ผิดและแน่นอนสองกองที่ถูกและแน่นอนสามกองที่ไม่แน่นอนท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนสอกรูปเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นรูปใช่ไหมปอรอใช่สก เป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้อยปดสปดปรท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นวิญญาณใช่ไหมสกใช่ปรรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญ ญ, ญาณ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นรูปจึงเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอาจว่าแปรผันไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นวิญญาณถ้ามกถาจบแปดกรรมมกถา ว่าด้วยกรรมแปด้อยแปดก้าสกกรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรใช่สกเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกองกกอแห่งสภาวะธรรม ท, ที่ไม่แน่นอนไม่มีใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกก อ, องแห่งสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่มิใช่หรือปรใช่สกหากกองแห่งสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนสอกกรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรใช่สกก อ, องแห่งสภาวธรรม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 กรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนแปด้อยเก้าสิบสกที่จะทําเวทนิยกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมนั้นเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอุปเชวะเวทนิยกรรมอปราปริยะเวทนิยกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอาจว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อตไปใช่ไหมปอร์ใช่สกอัปราปริยะเวทนิยกรรมนั้นเป็นสภาวะที่ผิดและให้ผลแน่นอนใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอ เป็นสภาวะที่ถูกและให้ผลแน่นอนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้อยเก้าสิบเอ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอาจว่าเป็นกรรมอันบุคคลผลเสวยในปัจจุบันอุปัชะเวทนิยกรรมอปราปริยะเวทนิยกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอาจว่า เป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อต่อไปไใช่ไหมสกใช่ปรทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมเป็นอุปปัชชเวทนียกรรมเป็นอัปปราปริยะเวทนียกรรมอุปปัชชเวทียกรรมเป็นทิฏฐธรรมะเวทียกรรมเป็นอัปปราปริยะเวทียกรรมอัปปราปริยะเวทียกรรมเป็นทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมเป็นอุปปัชชะเวทียกรรมใช่ไหม ตกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมจึงเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอาจว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในปัจจุบันอุปัจะเวทนิยกรรมอภปราปริยเวทนิยกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอาจว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อต่อไปกรรมมกถาจบเอกวีสติมวักจบ รวมคถาที่มีนิวัก์นี้คือหนึ่งสาชนะถาสองอวิวิตกตกาถาสามสัญโยชนะกถาสอิทิกถาห้าพุทธกถาหสัพพทิสาคถาเจ็ธรมมกาถาแปดกรรมมะถา ยี่สภาวิสติมวัตหนึ่งปรินิพานะคาถาว่าด้วยปรินิพานแ92รก้สอกอพระอรหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้และปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ละสกักกายทิฐิอนุตตปะบางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระอรหันและสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกพระอรหันยังมีราคะยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันไม่มีราคะไม่มีกิเลสนี่ใช่หรือปอรอใช่สกหาพระอรหันไม่มีราคะไม่มีกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระอาหารหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่ปดรอท่านไม่ยอมรับว่าพระอาหารหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรพระอาหารหันต์รู้พุทธวิสัยได้ทั้งหมดใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้น พระอระหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานจึงมีอยู่ปรินิพานนรบปาจบสองุสลจิตตกถาว่าด้วยกุศลจิตแปด้อยเกสิสกพระอระหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพานใช่ไหมป ร, รใช่สกพระอระหันต์ยังสร้างสมบุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขาร ทำกรรมที่เป็นไปเพื่อคติเพื่อพบเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจเพื่อความเป็นใหญ่เพื่อมีสมบัติมากเพื่อมีบริวารมากเพื่อความงามในหมู่เทพเพื่อความงามในมนุษย์แล้วปรินิพานใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพานใช่ไหมปอรอใช่สอกอพระอรหันต์สังสมอยู่ไม่สังสมอยู่ และอยู่ยึดมั่นอยู่กำจัดอยู่ก่ออยู่ทําลายอยู่ปรับปรุงอยู่ปรินิพานใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอรหันต์สังสมอยู่ก็ไม่ใช่ไม่สังสมอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ไม่สังสมแล้วดำรงอยู่ไม่ใช่หรือปอรอใช่สอกอหากพระอรหันต์สังสมอยู่ก็ไม่ใช่ไม่สังสมอยู่ก็ไม่ใช่ แต่เป็นผู้มีสั่งสมแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีจ no. <cryptocur> ิตเป็นกุศลปรินิพานสกพระอรหันต์ละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ละแล้วดำรงอยู่กำจัดอยู่ก็ไม่ใช่ก่ออยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้กำจัดแล้วดำรงอยู่ทาลายอยู่ก็ไม่ใช่ปรับปรุงอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ทำลายแล้วดำรงอยู่มิใช่หรือ ปรใช่สกหาพระอรหันต์ทําลายอยู่ก็ไม่ใช่ประปรุงอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ทําลายแล้วดํารงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพานแปด้อห้าปรท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพานใช่ไหมสกใช่ปรพระอรหันต์มีสติตั้งมั่น มีสติสัมปชัญญะปรินิพานไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหาพระอรหันต์มีสติตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะปรินิพานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพานอุสระจิตตกรถาจบสอเนญชะกถาว่าด้วยอเนญชะสมาธิจะทุตชาณจิตแปด้สห สกพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนญชะสมาธิปรินิพานใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ดำรงอยู่ในปกติจิตปรินิพานไม่ใช่หรือปรใช่สกหากพระอรหันต์ดำรงอยู่ในปกติจิตปรินิพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนญชะสมาธิปรินิพานสก พระอหรหันต์ดำรงอยู่ในอเนชาสมาธิปรินิพานใช่ไหมปรใช่สกพระอหรหันต์ดำรงอยู่ในกิริยาจิตปรินิพานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอหรหันต์ดำรงอยู่ในวิปา ก, กจิตปรินริพานไม่ใช่หรือปรใช่สกหากพระอหรหันต์ดำรงอยู่ในวิปา ก, กจิตปรินิพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนเชสมาธิปรินิพานสกพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนเชสมาธิปรินิพานใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอพยากต์ฟิริยาจิตปรินิพานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอพยากต์วิปากจิตปรินิพานไม่ใช่หรือปรใช่ สกหากพระอาหารหันต์ดำรงอยู่ในอพยากตะวิปากจิตปรินิพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอาหารหันต์ดำรงอยู่ในอเนญชะสมาธิปรินิพานสกพระอาหารหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชะสมาธิปรินิพานใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีประภาะทรงออกจากเจตุตฌานแล้วปรินิพานในลำดับติดต่อกันไม่ใช่หรือ ปอรอใช่สกหากพระผู้มีพระภาคทรงออกจากเจตุทชานและปรินิพานในลำดับติดต่อกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนชะสมาธิปรินิพานอเนชะาถาจบสี่ธรรมมาพิสมยกถาว่าด้วยการบรรลุธรรมแปดร้อยก้าสเจ็ดสก การบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้ใช่ไหมปรใช่สกการแสดงธรรมการฟังธรรมการสนทนาธรรมการสอบถามการสมาทานศีลความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะการหมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนทั้งในปฐมยามและปัจชิมยามแห่งราตรีของสัตว์ผู้อยู่ในคัน์มีได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการแสดงธรรมการฟังธรรมการหมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนทั้งในปฐมยามและปะชิมยามแห่งราตรีของสัตว์ผู้อยู่ในคันไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากการแสดงธรรมการฟังธรรมการหมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนทั้งในปฐมยามและปะชิมยามแห่งราตรีของสัตว์ผู้อยู่ในคันไม่มี ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้สกการบรรลุธรรมสัตว์ผู้อยู่ในครันมีได้ใช่ไหมปรใช่สกปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฐิมีสองอย่างคือหนึ่งปรโตโคสะคําแนะนําจากผู้อื่น 2. โยนิสมนัสการการใช้ความคิดถูกวิธีไม่ใช่หรือปรใช่สก หากปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างคือหนึ่งปรโตโขโคสะสองยุนิสมนัสการท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการบรุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้สกการบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้ใช่ไหมปอรอใช่สกการบรรลุธรรมของบุคคลผู้หลักผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปชัญญะมีได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นธรรมมาพิสมยะประถาจบ5ถึง7ติดโสปิคถาว่าด้วยเรื่องการบรรลุอีกสามเรื่อง898 อ, อ้าสกการบรรลุอาราธผลของสัตว์ผู้อยู่ในขันมีได้ใช่ไหมปรใช่สกการบรรลุอาราธผลของบุคคลผู้หลักผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืม ผู้ไม่มีสัมปชัญญะมีได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแ9ดร้อกาสกการบรรลุธรรมของบุคคลผู้ฝันมีได้ใช่ไหมปรใช่สกการบรรลุธรรมของบุคคลผู้หลับผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสรรัมปชัญญะมีได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเก้าร้อสก การบรรลุอรหัตผลของบุคคลผู้ฝันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการบรรลุอรหัตผลของบุคคลผู้หลักผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปชัญญะมีได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นติโสปิกาถาจก8อภยากตะคถาว่าด้วยอภยากตะคิดเก้า้อยหนึ่งสก จิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพญากฤิใช่ไหมป ор. รใช่สกบุคคลอาจฆ่าสัตว์ได้ด้วยความฝันใช่ไหมป OR. รใช่สกาหากบุคคลอาจฆ่าสัตว์ได้ด้วยความฝันท่านก็มีควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพญญากริชสกบุคคลอ่านลักรับได้ด้วยความฝันผู้เท็จผู้ส่อเสียดผู้คําหยาบผู้เพ้อเจอ้อ ตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลวผิดพัญญาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมเศรษมถุนทำได้ด้วยความฝันอสุจิของผู้ฝันอาจเคลื่อนได้อาจให้ทานจีวอนบินทบาทเสนาสนะคีลานปัจใจเพศสร า, ารบริขารของขบเคี้ยวของกินน้ำดื่มอาจไหวพระเจดีอาจยกดอกไม้ของหอม เครื่องรูปลายขึ้นไว้บนพระเจดีอาทจทำประทักษิณพระเจดีได้ด้วยความฝันใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลอาจทจาำประทักษิณพระเจดีได้ด้วยความฝันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอภยากฤิทธ์เก้าร้อยสองปรท่านไม่ยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอภยากฤิใช่ไหมสกใช่ ปรจิตของบุคคลผู้ฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอโภโหหาริกไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหาจิตของบุคคลผู้ฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอโภโหหาริกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอภยากฤิตอภยากตะคาถาจบ9อาเสวณปัจจยตาคถา ว่าด้วยความเป็นอาศวณปัจใจัอยสามสกความเป็นอาศวณัปจัใจบางอย่างไม่มีใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิสุทั้งหลายปานาติบาการฆ่าสัตว์ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้เกิดในกำเนิดสัตว์ิรชา อำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตวิปากแห่งปานปฏิบาตอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุสั้นแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์นีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นความเป็นอาศัวนปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่สกความเป็นอาศัวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรใช่สก พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายอธินนาทานการลักทรัพย์ที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้เกิดเกิดในนรกอํานวยผลให้ เ, เกิดในกําเนิดสัตว์ดุริชาญอํานวยผลให้ เ, เกิดในภูมิแห่งเปรตวิบากแห่งอธินนาทานอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้เป็นผู้เสื่อมโภคทรัพย์แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแห่งการาเมสุมิชฌาจารย์ การประพฤติผิดในกรามอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้เป็นผู้มีศัตรูและเป็นผู้มีเวรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิปากแภ่งมุสาวาการพูดเท็จอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิปากแภ่งปิสุณาวาจาการพูดส่อเสียดอย่างเบาที่สุดย่อมอํำนวยผลให้แตกจากมิตรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ วิปากแห่งพุรวาจาการพูดหยาบคายอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้ได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าฟังแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิปากแข่งสัมผัปลาปะการพูดเพ้อเจ้ออย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้มีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือแก่ผู้เกิดเป็ น, น, น, นมนุษย์การดื่มสุราเมรัยที่บุคคลเสพวิปากแข่งการดื่มสุราเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นความเป็นอาศวนาปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่904สกความเป็นอาศวนาปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมิชาทิฐิที่บุคคลเสษเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตยรชานอํานวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นความเป็นอาศัยวณัปจ์ใจบางอย่างจึงมีอยู่สกความเป็นอาศัยวณัปจ์ใจบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายมิชฌาสังกัปปะมิชฌาสมาธิที่บุคคลเสพเจริญทําให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นความเป็นอาศัยวนาปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่๙๐๕สกความเป็นอาศัวนาปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปอรอใช่สก พระสูที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่บุคคลเจกเจริญทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นจุดมุ่งหมายมีอมตะเป็นที่สุดมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่ยสอกอดังนั้นความเป็นอาศัยวัณปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่สอกอความเป็นอาศัยวัณปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปอรอใช่ สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสำ ม, มาสังกัปปะที่บุคคลเสกเจริญทําให้มากแล้วสำ ม, มาสมาธิที่บุคคลเสกเจริญทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นจุดมุ่งหมายมีอมตะเป็นที่สุดมีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกดังนั้นความเป็นอาเัยวะณะปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่ อาเศวณปั จ, จยตาคถาจบสิคณิกะกถาว่าด้วยสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งเก้าร้อยหกสอกอสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมปอรอใช่สอกอมหาปตพีมหาสมุทรภูเขาเสนเนรุน้ำไฟลมหญ้าไม้และไม้เจ้าป่า ล้วนแต่ดำรงอยู่ได้ในจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมปรใช่สกจากขายตนะเกิดพร้อมกับจากหุวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจากขายตนะเกิดพร้อมกับจากหุวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่า ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุจักสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองจักสุและความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏจักสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองจักสุ แต่ความใส่ใจอันเกิดจากจักรสุและรูปนั้นไ ม, ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักระสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดจักรสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองจักรสุและความใส่ใจอันเกิดจากจักรสุและรูปนั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักระุและรูปนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือ ปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไ ม, Thursday. ไม่ควรยอมรับว่าจักรายัตนะเกิดพร้อมกับจักรปุวิญญาณสกโซตายตัตนาคานายตัตนาคิวหายตัตนะกายายตัตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกากายายตัตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณใช่ไหมปรใช่สก พระสูตรที่ว่าท่านพระสารีบุตรเดีกล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายโพธพภะที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองกายและความใส่ใจอันเกิดจากกายและโพธพภะก็ไม่มีกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายโพธพภะที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองกายแต่ความใส่ใจอันเกิดจากกายและโพธพภะไม่มี แต่เมื่อใดกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายโภพพะที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองกายและโภพพะและความใส่ใจอันเกิดจากกายและโภพพะก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากกายและโภพพะนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า กายายตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณ๙๐๗ปรท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมสกใช่ปรสภาวะธรรมทั้งปวงเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นสภาวะธรรมทั้งปวงจึงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่ง คณิกะกถาจบภาวีสติมะวัคจบรวมคถาที่มีเนวักนี้คือหนึ่งปรนิพานกาถาสองกุศลจิตตะถาสอเนนชกาถาสธัมมาพิสมยะถาห้าถึงเจ็ดติโซปิกาถาปดอพยากตะกถาเกาเจวนะปจยะตาคถาสิคณิกตะคถา สิบสวีสติมวัคหนึ่งเอกาธิปายกถ า, าว่าด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันเก้ยแปดสกบุคคลเสดเมถุนธรรมด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลผู้เสดเมถุนธรรมไม่ควรเป็นสมณนะไม่ควรเป็นภิกษุควรเป็นผู้มีมูลขาดแล้วควรเป็นปราชิกด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันใช่ไหม ปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลเสษเมถุนธรรมด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหมปอ ร, รใช่สกบุคคลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผู้เท็จผู้ส่อเสียดผู้คำหยาบพูดเพอเจอ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลี่ยวผิดพัญญาของผู้อื่นปร้นชาวบ้านปร้นชาวนิคมด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอกาทิปายะกถาจบสองอรหันตะวันนักถาว่าด้วยเพศของพระอรหันต์999สกพวกอมนุษย์เสษเมทุนธรรมโดยเพศของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรใช่สกพวกอมนุษย์ค่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจ้อ ตัดช่องย่องเบาปล้นสดมปล้นเรือนหลังเดียวดับปล้นในทางเปลี่ยวผิดพัญญาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมโดยเพศของพระอรหันได้ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรหันตะวั น, นะกะถาจบสมถึงเจอิสริยะกามการิกาคถาว่าด้วยการทำตามอำนาจความประสงค์เก้ารอสิบอก พระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปอรอใช่สกพระโพธิสัตว์ไปสู่นรกสัญชีวนรกกาละสุตตนรกตาปณ น, นรกปรตาปณ น, นรกสังคาตะนรกโรรุวนรกอเวจีนรกเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรไม่มีสกหากพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระโพธิสัต <tu> ว <i ro> ์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์911สกพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิเนคันเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรใช่สกพระโพธิสัตว์เข้าถึงนรกกําเนิดสัตว์เบรฉานเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระโพธิสัตว์อย่างลงสู่ปฏิสนธิในคันเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมปรใช่สกพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมปรใช่สกพระโพธิสัตว์ได้เจริญชั้นทิทิบาทเวริยติทิบาทจิตติทิบาทวิมังสิทธิบาทแล้วใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคัน์เพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคัน์เพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรไม่มีสกหาพระสูตรที่ว่า พระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในขัน์เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคัน์เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์เก้อสกพระโพธิสัตว์ทำทุกรกระเกลียเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรอใช่สก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 เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระโพธิ ส, ออพสัตว์ทำ ท, ทุกขระกิยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ทำทุกขระกิยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรไม่มีสอกอหากพระสูตรที่ว่า พระโพธิสัตว์ทำทุกระกริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ทำทุกระกริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์๙๑๓สอกอพระโพธิสัตว์ทำความเพียนอื่นอุทิศสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรใช่สอกอ พระโพธิสัตว์กลับมาสู่ความเห็นว่าโลกเที่ยงหลังจากตายแล้วตาาค้จะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จ้ว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๙๑๔สกพระโพธิสัตว์อุทิศสดาออินเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่า พระโพ ธ, ธิสัตว์อุทิศาสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอไม่มีสกหาพระสูตรที่ว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์อุทิศาสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์อุทิศาสดาอื่นเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์อิสริยกคามมักริกากถาโฉ ปฏิรูปกาถาว่าด้วยสภาวธรรมที่เทียบกันได้เก้า้อสสกสภาวธรรมที่ไม่ใช่ราคะแต่เทียบได้กับราคะมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่ไม่ใช่พัสสะแต่เทียบได้กับพัสสะไม่ใช่เวทนาแต่เทียบได้กับเวทนาไม่ใช่สัญญาแต่เทียบได้กับสัญญา ไม่ใช่เจตนาแต่เทียบได้กับเจตนาไม่ใช่จิตแต่เทียบได้กับจิตไม่ใช่ศรัทธาแต่เทียบได้กับศรัทธาไม่ใช่วิริยะแต่เทียบได้กับวิริยะไม่ใช่สติแต่เทียบได้กับสติไม่ใช่สมาธิแต่เทียบได้กับสมาธิไม่ใช่ปัญญาแต่เทียบได้กับปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๙๑๖สกสภาวะธรรมที่ไม่ใช่โทสะ เทียบได้กับโทสะไม่ใช่โมหะแต่เทียบได้กับโมหะไม่ใช่กิเลสแต่เทียบได้กับกิเลสมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สอกอสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ผัสสะแต่เทียบได้กับผัสสะไม่ใช่ปัญญาแต่เทียบได้กับปัญญามีอยู่ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปฏิรูปคาถาจบเกอปรินิพนธ์คาถา ว่าด้วยสภาวะธรรมที่ไม่สมเร็จมาจากเหตุ๙๑๗สกรูปเป็นสภาวะธรรมที่ไม่สมเร็จใช่ไหมปรใช่สกรูปไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่อิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นไม่ใช่มีความสิ้นไปไม่ใช่มีความเสื่อมไปไม่ใช่มีความคลายไปไม่ใช่มีความดับไปไม่ใช่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอรูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาใจปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้งไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือปอรอใช่สอกอหากรูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่สําเร็จสอกอ ทุกเท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สำเร็จใช่ไหมปรใช่สกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงมิใช่หรือปรใช่สกหากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทุกเท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สำเร็จเก้าร้อยสิบแปด สกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากขายัตนะธรรมายัตนะจกขุ่ธาตุธรรมธาตุจกขุนสีัญญาตาวินสีเป็นสภาวธรรมที่ไม่สมเหตุใช่ไหมปรใช่สอก อ, อัญญาตาวินสีไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อัญญาตาวินสีไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกหากอัญญาตาวินศรีไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอัญญาตาวินศรีเป็นสภาวะธรรมที่ไม่สำเร็จสกทุกเท่านั้นเป็นสภาวะธรรมที่สำเร็จใช่ไหม ปรใช่สกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์อัญญาตาวินศีไม่เที่ยงไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกาหากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์อัญญาตาวินศีไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทุกเท่านั้นเป็นสภาวะธรรมที่สำเร็จอภรินิพนธะกถาจบ เตวีสติมวัคจบรวมคถาที่มีในวักนี้คือหนึ่งเอกาธิปยกถาสองอรหันตะวณนกถาสามถึงเจอิสริยการมักริกากถา 8. ปฏิรูปกถา 9. อปปริณิพันนกถาคุตตะอัฏฐปันนาจบรวมวักที่มีในคุตตะอัฏฐปันนานี้คือ วรที่21เริ่มด้วยาศาสนกระถาวรที่2ี่เริ่มด้วยปรินิพานกถาวรที่ยี่สิเริ่มด้วยเอกาทิปายกถารวมปันนาที่มีในกระถาวัตถุปกรณ์นี้คือหมหาปันนาสองนิยามปันนาทุ ต, ยนนยนนติยะปันนาสอนุสยะปันนาตาติยะปันนาสเนื้อฆะปันนา เจตุทะปันนาห้าคุุฑกะอัถฐปันนาปันนาที่เกินครึ่งไปเล็กน้อยปันนาเหล่านี้เนื้อกระถาวัตถุประกอตั้งอยู่ในพระสูตรเดิมเป็นหลักย่ำยีนิยายอื่นรุ่งเรืองในศาสนาของพระพุทธเจ้ากระถาวัตถุประกอมีส5ภสิหาพานวาระจบ